พังทรรมกันต่อการฟังทรรมเป็นการมองให้เห็นทั้งสองทางก็ประมาทก็ไม่ประมาทก็ไม่ประมาท ตื่นอยู่ในเมื่อผู้อื่นหลับย่องเลาะคนโง่ไปไกลเหมือนว่ามีผีเท่าดีเลาะมาที่ไม่มีกำลังฉันนั้นเหมนต่างกันอยู่ชีวิตของเราบางทีก็ไม่ต่างกันกิเลสก็มีทั้งพรรณากิเลสก็ไม่มีทั้งพรรธา ตัญหาก็มีร้อยแปดตัญหาก็มีทั้งร้อยแปดทันมาพร้อมกันความหลงก็มีคก็ไม่หลงก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีความโกรธก็มีความไม่โกรธก็มีเราจึง ไม่ประมาทเรื่องนี้อย่าหลงในความหลงอย่าหลงในความสุขความทุกข์ไม่หลงในความหลงไม่หลงในความสุขความทุกข์ถ้าหลงมันก็เป็นหลงเรื่อยไปถ้าหลงไม่หลงก็ไม่หลงเรื่อยไปโจบได้ อยปล่อยทิ้เป็นโจดเป็นจำเลยต้องแค่้ผมหลงเป็นโจดผมไม่หลงเป็นแค่ไปแล้วเราไม่เป็นจำเลยแล้วถ้าหลงเป็นหลงเราก็เป็นจำเลยโกรธเป็นโกรธเราก็เป็นจำเลยไม่เป็นอิสระ ตาจึงพยายามให้เป็นอิสระในชีวิตเป็นประชายที่ปฏายธรรมาที่ปไตยอัตตาที่ปฏตยะตัวเรามีอยู่จริงความหลงก็มีอยู่จริงความไม่หลงก็มีอยู่จริงในตัวเรานี่ โลกาที่ปไจยะโลกก็มีจริงมีรูปมีรส ม, มีกลิ่นมีเสียงมีสเสริญเนินทามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์เราก็อย่าหลงเพราะเราอยู่กับโลกในตัวเรานอกตัวเรา โลกาธิปตยยะเพื่ออะไรเพื่อทำมาเทปตยยะเพื่อทำจึงจะถูกต้อ ง, องถ้าเพื่อตนตอเพื่อโลกก็ไม่ถูกต้องเสมอไปต้องเพื่อทำ เราไม่หลงก็เป็นธรรมถ้าเราไม่หลงก็เกิดความเป็นธรรมขึ้นแต่ถ้าเราหลงก็ไม่มีความเป็นธรรมเพื่อธรรมบ้างความโกรธเป็นความโกรธไม่มีความเป็นธรรมความโกรธเป็นความไม่โกรธไม่มีความเป็นธรรมอตถะทิปตะยะโลกาธิปตยะธรรมาทิปตยะ เท่อธรรมเราก็มีอยู่จริงยึดเราก็มีจริงโลกก็มีจริงมีสมมุติมีบัญญัติจริงแล้วก็เป็นมนุษย์มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องจริงแล้วมีผลกระทบต่อกันจริง เรามีชีวิตแล้วก็อยู่ในโลกสมมุตินี่มีดินมีน้ามีลมมีไฟมีอากาศมีจริงแต่ถ้าเราจะชีวิตเพื่อโล ก, โลกเพื่อทรมันก็มีประโยชน์จริงอะไรก็ต้องมองตนซะก่อนไม่มีความกัดแจ้ง ในตัวเรามีความปฏิแจ้งต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นก็ให้เป็นการบ้านของเราก็มาเฉลยซะเจางเจ้าช่าผ้าชายศีระก็มีความปฏิแจ้งสมัยเป็นเจ้าผ้าชายมีคู่แข่งตลอดเวลาจากนอกก็เป็นเทวทัต <c oughs> อ่ยมาเกีกแข่งกับพ่อชายต้องแข่งขันกันจิงเทนูฝนดาบมีความแัดแจกันตลอดถึงว่าท้อยว่าความจิงเทนูแต่วราเทศจิงหงบินมาบนฟ้าตกลงมาโจฝีมือ แต่ตกลงมาใส่ศ no ีธถะศีระก็จะพอหงนั้นาถรนลูกสรนออกเขยยารักษาจนหงนั้นหายเต่วทัดจะมาขอหงจอิศีธถะศีธถะไม่ให้ ถือว่าท่านไม่เป็นเจ้าของเจ้าของของของคือผู้ที่ดูแลผู้ของรักษาคนที่ทำลายไม่เป็นเจ้าของให้ควรเอาไปเอาไปก็จะไปทำลายไ่อีกทะเลาะกันสองถอดสองไม่ตกลงกันได้เอาพระราชาวงังสารวงมาจีราจา ตัเจ้าหนี้เป็นเท็จจริงอย่างไรแต่ทัดก็บอกว่าอของของเขาเขาญิงตกของเป็นของเขายิ่งบอกว่าคน ท, ทาลายชีวิตของอันอื่นถึงเงินไม่ใช่เป็นเจ้าของคนที่รับเลรักษาชื่อว่าเป็นเจ้าของเอาความขัดแย้งสองอันนี้ว่าความกัน ตอนี้เจ้าก็ตัดส้นใจให้เป็นของศิรษะเพราะศิรษะเป็นเจ้าของชีวิตของสัตว์ของอะไรต่างๆช่วยเหลือแก่ไขไม่ทําลายใครไม่ทําลายสิ่งใดถือว่าผู้นั่นเป็นเจ้าของเป็นญาติไม่ทํำลายตัวเองไม่ทําลายสิ่งต่างๆถือว่าเป็นเจ้าของ ร้องหลงถือว่ามันเป็นเจ้าของชีวิตร้องโกรธถือว่าไม่เป็นเจ้าของชีวิตคงไม่โกรธก็ไม่ทุกข์ถือว่าเป็นเจ้าของชีวิตนี่เลยว่ามันมีอยู่จริงๆในชีวิตของเรามีความเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมอยู่เช่น<ด>เวลาเราโกรธ คนอื่นท้โกรธถ้าเราโกรธตามความโกรธเราก็ไม่เป็นธรรมทั้งสองหันสองฝ่ายเราต้องแก้ตัวเองอะไรก็ตามที่เป็นปัญบ้านเป็นปัญหาเป็นโจทย์ต้องแก้ให้ได้เปลี่ยนให้เป็นถูกแม้มีกิเลสพันห้าอย่างมันก็มีวิธีแก้พันห้าเหมือนกัน ทัานถามมีทั้งร้อยแปดมันมากแต่มีก่อนแก้เหมือนร้อยแปดเหมือนกันพอๆกันความผิดมันมีความไม่ผิดมันมีความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันก็มีความหลงมันก็มีความไม่หลงมันก็มีในะมาณิตรงนี้เอาความโกรธสร้างประโยชน์ก็ได้ เอาความทุกข์มาสร้างประโยชน์ทุกแบบไหนก็ตามเอามาเป็นประโยชน์แล้วแต่มีญาติลุงนี่ลุงแล้วโกรธกับป้าเอาเข้าศสอกข้าสารเอาจอบเอาเสียง เอาพิกเขือกับปลาราหาไปลงไปที่นาจะหนีจากสูวผมมาอยู่กับสู๋รกไปที่นาก็โกรธสะโกรธที่ใดนะโกรธสะได้มากได้ประโยชน์เพราะความโกรธสะลูกนั่นปนะ้าก็ต้องเอาเข้าไปส่ง ทีก็ต้องความดีถ้าลุงโกธรเลยก็ต้องไปอยู่ที่นาไปทำประโยชน์เพราะเราก็มีชีวิตจริงจริงมีความดีจริงๆไม่เอาความโกมันทำลายทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเองและคนอื่นเอาไปทำประโยชน์สะลูกนั่น่ะ ลึกที่สุดเลยขอดอยู่เป็นเดือนจอบจบงว้วนปีละอันสองอันขุดสะบางทีเราเป็ น, เ, ปนเด็กก็ไปช่วยเต่เลี้ยงปลาสะรานัันเป็นสะที่มีชื่อเสียงใหญ่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ ที่นาก็ยังอยู่แล้วก็ไม่มีใครทำารงงานนัําตาลไปเช่าไปเช่าทำอ้อยปลูกอ้อยแต่ขอว่าอย่าทำลายใครไปบอกไปบอกพี่น้องอย่าทำลายสาลุนี่ชะ ป, ประวัติศาสตร์ต้อความโกรธถึแท้ทำไมเกิดชาลุนี่ขึ้นมา เอาชนะความโกรธดร้วยความไม่โกรธได้ประโยชน์จากความโกรธมีความดีเกิดขึ้นลึกซึ้งแงจะล้อกันจนจะแตกหักมันก็ดีขึ้นมาก็กิดผูกพันกันไปกับป้าฤิสุท์ความดีชนะความไม่ดีเสมอในความร้อนมีความเย็นเสมอ เราจึงอย่าจนอย่าประมาทเวลาหลงดีแล้วอย่าประมาทที่ความหลงเวลาโกรธดีแล้วอย่าประมาททความโกรธเวลามีการบ้านก็ดีแล้วอย่าประมาทในการบ้านมีปัญหาอะไรคนอื่นเขารู้เราไม่รู้เราก็ต้องศึกษา ให้รู้ถึงใดควรจะรู้ถึงนั้นให้เข้าใจถึงใดควรจะเข้าใจถึงนั้นจะไม่แจ้งถึงใดทำไมถึงนั้นได้แจ้งถามท่านผู้รู้ก็ได้ในโลกนี้ไม่ใช่ว่จะเหมือนเราเสมอไปบันดิก็มีคนพานก็ดีก็มี ใหคบผลดตจะบคบผลผ่านนี่ก็เลยเลอเพราะเราปฏิบัติธรรมมาจะเอ๋แล้วก็ประสบกับตัวเองม่ความหลงม่ความรู้ พะมันมีแต่ก่อนมันประมาทมันรู้ก็มีหลงก็มียังยังไม่ค่อยชัดเจนความหลงไม่ชัดความรู้ไม่ชัดแล้วก็ฟรีทั้งสองอย่างบางทีใจร้ายบางทีใจดีฟรีทั้งสองอย่างไม่ค่อยจะมีประโยชน์ต่อเราเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ช่วยเราอยู่ ส่วนมากมันจะไปให้ลาดับแก่ความทุกข์กมากใสใจ ก, ก็ไม่ทุกข์กไม่ค่อยใส่ใจนจ่เจอจากได้ความสุขแต่ไม่รู้จะใส่ใจมันคืออะไรเหตุมันเกิดความสุขได้มาจากไหนบองทีความทุกข์ก็แย่งออกไป ต้องเป็นทุกข์ภวงทุกข์จะมีสุข ก, ก็เป็นทุกข์ภวงทุกข์เลื่อยไปเจงไม่ค่อยใส่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้ให้มันเฉียแยงขึ้นมาให้เห็นเงื่อนไขเห็นจุดโดนเก้ไข่ชั่วละเลืเ่อยไปดีทำเลื่อยไป ไม่ติดมาพร้อมกันความหลงมาพร้อมกันกับความรู้ความไม่หลงความทุกมาพร้อมกันความไม่ทุกอะไรก็ตามอย่าประมาทให้มันชัดเจนเรื่องนี้สอนผัสการสอผัส นั่นไม่ได้มีคำถามมันเป็นการตอบเองอยู่แล้วแต่เราได้สัมผัสลองดูภาคปฏิบัติสอบว่าอารมณ์ไม่ใช่อาจารย์เป็นคนสอบแค่อารมณ์ก็ไม่ใช่อาจารย์เป็นคนเจื่อให้ส อ, อ, อเองแก่เ อ, อเองนั่นให้ข้อสอบ อยู่เสมอชีวิตเราเนี่ยอย่างน้อยก็เห็นแล้วเกิดเจ็เจ็บตายก็ต้องสอบเป็นทุกข์ควงเกิดเป็นทุกข์ควงแก่เป็นทุกข์ควงเจ็บเป็นทุกข์ควาตายแน่นอนทำอย่างไรต้งจะเฉลยเรืงนี้นได้ก็ ม, มีตำรามีสูตรมีพระสูตรอยู่แล้ว มีทางอยู่แล้วเอากมาโมโควิธีก็มีอยู่แล้วแต่เราไม่องค์ประกอบมันก็เลยไม่เป็นของเราไม่แต่เป็นของตำลาเขียนไว้เหมือนตาลายาเขียนไว้เฉยๆไม่ออกมาใช้ เอาบาใชา้ลองดูอะไรที่มันเป็นยาเอาบาใช้ลองดูลูไ้ไหมยาถ้าไม่รลู้ควรจะรู้ควรจะถามท่านผู้รู้ อยู่แถวนี้ก็มียาอยู่กับผู้คนก็มีล้านข้าก็มีหมอก็มีแต่อาศัยตอนที่มันเป็นแล้วไม่ ใ, ใกล้ตัวหายาก บางทีโลกอะไรต่างๆที่มันอาศัยคนอื่นโรววางอย่างต้องเสยตัวเองเจ่นลูกโลกตามโลกลูกสมมุนนามสมุิลูกทุกนามทุกลูกก็เป็นโลก โรคที่เกิดเกิบลูกก็มีหลาเช่เองก็มีมีทุกข์กายไปหาหมอทุกข์ใจไปหาพระพุทธเจ้าทุกข์ใจไปโดดตึกตายฆ่าตัวตายไปข่าคนอื่นมันไม่ใช่ทุกข์กายต้องไปหาหมอแตหาหมอย่า มีอยู่เป็นโลกอะลายหมอเดียนจบมาแล้วทำและชีวิตทำและเนื้อหนังของเราเนี่ยแหลกไปหมดแล้วมองเห็นเช่นทุกเช้นทุกเอ็นกระดูกทุกท่อนอะไรไปวัยวะอยู่ที่ไหนหมอลู้หมดแต่แต่เราพูดใ้ฟังเอาข้อมูลจากเราเป็นอะไร เราบอกให้ฟังหมอก็รู้เหมือนแผนที่กะีสิบออยู่ไหนกะีสิบสามอยู่ไหนกะทีหนึ่งโตหนึ่งโยนึงอยู่ที่ไหนจกูกะโตมีคนรู้ว่ามีแผนที่มาอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนรู้อ๋อดาวิาา ว, วะเรานี่มีหมอ เกี่ยงในด้านวิทยาศาสตร์ดูแล้วก็รักษาได้อย่าลนงตายเป็นโรคมะเร็งบอกว่าเอ็กซเรย์ที่คีมิแกนเห็นก้อเนื้อในตับเขาบอกว่าไม่มียารักษาเอ ก็บอกว่าข้อเนื้อในตับมาเกิดจากข้อเนื้อตัวเลวลำคอไปสู่น้ำเหลืองไปสู่ตับอ่อนต่านด้านรักษาได้อยูกคนรถพี บ, บให้ใช้ีโมตัวใหม่ให้หลวงพ่อโดยด่วนพระเจ้าวิเศษวิธีการรักษาอื่นในทั้งสิน้นให้จีโมอย่างเดียวเขารู้ เขาส่องมาแปลกมาจากสาราโนนเราอยู่เมืองไทยนะเขารู้ในระว่ามีผู้ลู้อยู่ทุกกายต้องไปหาหมอแบบนั้นนะ่ะจะไปดูตำรับตำลามีโชคชาลาสีอะไรตายเชื่ออะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขา สงสามจิตตวิทยาทําให้คนตายก็ได้ทําให้คนดีเกิดโลกก็ได้ไปทำให้เขาเป็นทุกข์อยู่บ่อยๆใส่เรื่องนั้นให้เขาเป็นโกรธให้เขาโกรธอยู่บ่อยๆเาคนที่โกรธเพราะเราสร้างขึ้นเขาจะเป็นทุกข์ถ้าเขาเป็นทุกข์เขตลองายแน่นอนจิตตวิทยาทําให้คนแต่แก่ก็มี พี่ก็ฮักี่ก็สื่อเ อ, อได้ยินไหมพี่ก็ฮ <c oughs> ักสื่ อ, อขอเล่าสักหน่อยได้ไหมตอนน้คนแตแกแยกนะสามีแต่แยกกันนะมีหนุ่มสาวมีคนหนุ่มคนเด็ชอบผู้หญิงสาวแต่เขาก็ผู้หญิงสาวคนนั้นก็แต่งงานคนอื่นอีกชายหนุ่มคนนี้ยังรักเขาอยู่ ทำไงน้อจึงจะให้เขาหญิงสาวคนนี้แยกกันกับแฟนเขาได้ก็ไปบอกผู้ชายเพื่อนกันนะเอ้ยเพื่อนเอ้ยนคนดีคนมีประโยชน์น่าจะได้เมียดีๆกว่านะั้นน้อเมียของเธอเนะ่ยเป็นผีผกะฮักนะระ ว, วังนะ ให้ระวังระวังมันจะมาจบกินใส่เวลาใดที่มันนะให้ระมัดระวังลืมไปแล้วพูด <laughs> พูดในผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยน้องเอ้ ย, ออยได้ผู้ดีผู้งามก็หรอกทำไมเอา ผัอย่างนี้ผัวเป็นผีก็สื่อตังคืนระวางมาจกกินไส้นะมาจะมาคำค้นอยู่เรื่อยนะถ้าเดือนมันออกค้นแสดงว่าผีก็สื่อเกิดขึ้นแล้วดูถ้ามันมีไลอยู่ในก้นมันระวังให้ดีนะก็เมียก็ระวังอยู่แล้วบอกว่าผีก็หักระวังมามาจกกิน ใช่แล้วมันจะมามคำก้นอยู่เรื่อยๆนะเขาบอกว่าเดือยออกอยู่ก้นของเมียให้ไปคำดูถ้าเดือยออกอยู่ก้นแล้วระวังให้ดีนะผู้ผู้ผัวก็ผู้เมียก็ระวังผัวจะมามคำก้นตัวเองถ้ามามคำก้นเราไม่จบกินใช่นะ ต่างคนต่างระวังกันน ะ, ะนนพอดีมันบางแขนไว้พอดีให้ผัวไปคำค้นเมียพอดีเมียก็รู้สึกว่าถ้าผัวมาคำค้นระวังหนะผีกระสือเกิดขึ้นแล้วจกถึงใช่แล้วให้ระวังเวลานอนนลต่างคนต่างระวังกันเวลานอนแล้วนี้ผู้ผัวก็สังเกตดูเมียนละมันก็ระวังก็เลย ผิดกติเอามาไปคำก้นมาดูนาะมันจะมีเดือยหรื อ, อยังเมียก็หวังอยู่แล้วว่าผีกะฮักผีกะสื่อผัวเป็นผีกะสื่อเมียเป็นผีกะฮักเมียก็ห อ, อกจะเดือยเดือยของเมียบางอ่าจะออกอยู่ก้นนะทุกเมื่อตกไปคำก้นดูที่ก็ก็เลยนอนอยไปคำก้นเมีย นึกว่าดูเห็นอยู <c oughs> อ่เพราดีไงก็ลองอยู่แล้ว <c oughs> พอเห็น <c oughs> หัวมาคำค้นก็โตหลุดลดเล่นน้องลงมาไอคนมาช่วยพ่อแม่ตีกินน่ก็เลยตื่นขึ้นมาเป็นไรกัน <c oughs> พี่กับือมันจะมามาจบจขงค้นอ่ะมันมาคำค้นอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาคำค้นนะ ละวังเงินจะมาจบกถกึงใช่หรือใช้คาก้นได้แล้วหระเราหวังจะเรก็ไล่กันหน่กูไม่เอามันกูไม่เอามเงินผีกยสื่อพี่เคยสื่อโดยสะก็แย่งกันไปเป็นหนุม่มก็มาแต่งงานเอาเมียไปนี่มันมันทำให้คนแตกแยกก่วาจาเป็นวาจาเป็นลิ่มแต่แย่ ก, ก็ไม่เอา เอาความสุขความทุกข์ไปห้อยพิฉันกับคนอื่นไม่ได้ตัวเองต้องเป็นตัวเองอัตตาธิ่ปตยะทำดีแล้วความชั่วไม่เชื่อกันอื่นเชื่อกรมเราเห็นรูปเห็นนามรูปทำนามทำมันเกิดอะไรขึ้นมีทมีติที่แจ้ไขมันหลงก็เปลี่นหลงเป็นรูปมันทุกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกทำดีอยู่เรื่อย แล้วความชั่วอยู่ด้วยเป็นกรรมอะไรไม่เป็นกรรมสักจิจทกับกรรมาฐานมีการกระทำมีกายมีใจมีสติมันหลงก็หลงอยู่ที่กายมันหลงก็หลงอยู่ที่ใจมันไม่หลงก็อยู่ที่กายไม่หลงก็อยู่ที่จิตใจให้ทำตรงนี้ มันถูกมันทุกข์อยู่ที่นี่คนอื่นทํำไปทุกข์ไม่ใช่คนอื่นว่าให้เราโกรธเราก็ไม่ใช่เราอยู่ของเราเองถ้าสิ่งที่เขาว่ามันเป็นหลังเขาว่าขอบคุณเขาก็แช้ไขตัวเองถ้าสิ่งที่เขาว่าไม่ใช่ก็ขอบคุณเขาถือว่าเขาบอกเราเอาประโยชน์อย่าไปเอาสุขเอาทุกข์ เราหลงเัารู้จากคนอื่นให้มาเกิดจากเราคนอื่นมันว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็รู้ตัวเราดีกว่าเขารู้ตัวเราไม่โกรธบางทีเราเป็นโกรธเพราะคนอื่นทําให้โกรธแตว่าเราเราก็โกรธแต่ว่าเร า, เร า, ร า, เ, ราเราไม่โกรธก็ดีก็ทําได้ในตัวเรานี้สิ่งที่ทําให้ทุกข์ทำไม่ทุกข์ก็มีมันทำไน้อยู่ อย่าไปสุขไปทุกข์เพราะสิ่งที่มันทำให้สุขให้ทุกข์อย่างไหนทำให้สุขให้ทุกข์มันต้องสุขต้องทุกข์คนทำได้อยู่ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยมันก็มีทำได้อยู่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนไปมันก็เหนื้อเกิดเจ็บเจบตายไปโ ด, ดเปนเห็นก้าแรกก็มีเท่านี้มันเกิดก็เกิดอยู่ที่รูปที่นาม มันแจ๋ก็เจ๋อที่ทู่ที่นามมันเจ็บก็เจ็บอยู่ที่ทู่ที่นามมันตายก็ตายอยู่ที่ทุ่พีนามนี่เราต้องได้ข้อมูลจากอันนี้เอาสิ่งที่มันมีแก้ไขของมันเองรองเกิดมากับพร้อมกับความไม่เกิดรวมเจ๋มาพร้อมกันกับความไม่แจ๋อลองใส่ใจแล้วนี่ดู ความเก็บมาเพิอมกันความไม่เก็บ <ใ 2014. S 2> ความทุกข์มาเพิอมกันบความไม่ทุกข์ความตายมาพร้อมกันมม ก, กับความไม่ตายนนอย่าเป็นจนให้ศึกษาเปลี่ยนตั้งแต่หลงเป็นรูนี้ไปแล้จะเห็นเป็นคนละอันกันเห็นห <Wy> ลงเห็นรูเห็นรูเห็นนาม อะไรไมันเก็บอะไรไมันแจกเล่นเห็ น, เ ห, นเห็นลูก<อ>มันหิวเป็นทุกข์เพราะหิวหรือไม่ใช่มันหิวหรอกไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นสุขมันดีขอบคุณความหิวสุขภาพแข็งแรงสุขภาพปกติมันหิวถูกต้องแล้วถ้าไม่หิวไม่ถือว่าไม่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์เสมอไปแต่บางคนไม่เข้าใจในรูปในดามเอาความหิวเป็นทุกข์เอาความร้อนเป็นทุกข์เอาความเจ็บเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่มันบอกเราถูลกัดมันเจ็บมันบอกเรามันถูกต้องแล้วเกียบหนามมันเจ็บมันบอกเราถูกต้องแล้วมันไม่ใช่เป็นทุกข์เป็นการ กำหนดรู้เป็นการบรรเทาเป็นการแช่ไขาตามลำดับของทุกที่มันเกิดขึ้นจะพาว่าทุกทุกกาหนดรู้ว่าเช่อมาเป็นทุกเสมอไปนิดสนอทุกทุกหน่วงนิดเป็นการธรรมชาติของรู้อาการตุกกทุกทุกที่จอดมาเป็นข้างเป็นข้าวบางทีก็ สละไปไเล่นปวดหนักปวดเบานอนอยู่ถ้ามันอาขันทุกะทุกก็ต้องไปไม่ใช่เป็นทุกข์เพราะปวดหนักปวดเบาแล้วเอาสิ่งหล่านั้นไปเป็นทุกข์มันดีอย่างพ่อเมื่อวานนี่หลวงตาเมื่อวานนี่ก็ไปฉันแจงเห็ดเผาะท้องอืดตอนวัดไม่จบเลย <laughs> อาขออันทุกะทุกข์เอใช้เร่อทุกข์ เป็นอันเรืงที่บรรเทาซะก็หายไปไม่ใช่เรื่องทุกข์ทุกข์ที่เป็นสังขารจะมูทยตรงละมันโกดไม่โกดละได้เดียวนั้นไม่ใต่บรรเทาถ้ามันโกดก็ต้องด่ามันไม่ใช่ใช่ผิดประเภทไม่ต้องด่าถ้ามันโกดเปลี่ยนไม่โกดอ่น อันคนละระดับเป็นระเบียบของเขาเหมนโลกโลกวางอย่างต้องผ่าตัดโลกวังอย่างก็ต้องบรนเทาการทำไปได้โลกวังอย่างต้องผ่าตัดโลกวังอย่างก็รักษ า, า, า, า, า ไ, ได้โลกวังอย่างรักษาไม่ได้ก็มีเหมือนกัน แต่สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่มีเสมอไปเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีเกิด <c oughs> ไม่เกิดในเความเกิด <c oughs> อะไรคือมันเกิดเราจึงอยู่เหนือก็รเกิดเจ็บตายจากเก้าแรกเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้มันก็เป็นอวิชชาหลงอย่างซ่อนอยู่ แต่ถ้าเราศึกษามันเปิดเผยมันโง่โงความหลงก็โง่ความโกรธก็โง่ความทุกข์ก็โง่ไม่ได้ค้นหามันมาให้เราเห็นโชว์ทันทีมันอยู่ตรงไหนเราก็เห็นมันไม่ลับลี่ลึกซึ้งไม่ใช่ลึกเล็บก็อสอนพระเจ้าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกดการอย่างเดีย มันลึกซึ้งมันทำได้ลึกลับมันต้องไม่ทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันลึกลับเกินไปไม่รู้จะเป็นยังไงไม่ใช่แบบนั้นรู้ทำไมไม่รู้ทุกมันก็รู้ทุกมันก็รู้เวลาเรามีสตินี่เป็นตาทิพสติเนี่ยเห็นอารมณ์เห็นรูป เห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นธรรมแต่ก่อนตรงนี้มันปิดไม่เห็นพอมาศึกษามันเห็นทีแรกก็ไม่เห็นเอากายมาเป็นตัวเป็นตนจิงที่เกิดขึ้นกายเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติ อะไรที่มันจะแรงออกทางกายอะไรที่มันจะแดงออกทางกิตใจความคิดเป็นสุขความคิดเป็นทุกข์ความคิ ด, คค ด, คคดอย่างนั้นหรือชีวิตเรามันเปาบางเกินไปไม่ใช่ถ้ามันเห็นเดี๋ยว่าเห็นกายมันจะแรงออกมาเรื่อยๆ อะไรที่มันแสดงออกทางกายมีเยอะแยะปวดขาปวดแนนั่งนาำก็ปวดหลังปวเดี่ยวมันรอดมันหนาวฝนตกก็เปียกตัวตาก็เปียกบมาเคยน่ะเนต่องนั่นก็ธรรมชาติตอนมันตกมันต้องเปียก ไม่ใช่เป็นทุกทำไมผลนึกตกทำไมมันจึงเปียกก็มีก้อนก็มีดวงอาทิตย์แล้ ม, มีดวงอาทิตย์ก็มีก้อนเมฆพ่มีก้อนเมฆผลก็ตกโอนตกมันก็เปียกบางทีจะน่นเปียกขีจะกระเาน ลื่นจักรยานล้มหัวไปถูกต่อข้างทางหัวแตกไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลไปนอนอยู่โรงพยาบาลหมอเย็บแผลให้มันข้ามแล้วให้นอนที่โรงพายาบาลญาไปรู้ว่าพ่อหายไปไหนถามหากัน ได้ยินได้ได้ลูกตั้งแต่ว่าทีบจักรยานไปตลาดไปชื่อของไปมาเห็นกลับมาตอนค่มจะไปชื่อของชื่ออาหารมาทำสู่ลูกกินแล้วก็ค่า ม, มาเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลลูกก็ถามหาตามหาไปก็เลยไป ใจข่าวว่าอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลหัวแตกพอลูกพอพ่อเห็นลูกก็โอ้ยเขาไม่ดีเขาไม่ดีแล้วพ่อหัวแตกพ่อหัวแตกลูกเป็นนักธรรมะเขาไม่ดีเสียใจบ้างก็เสียใจมากว่าจะเสื่อมหารไปให้ลูกอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ไปเลย นานอนอยองไฟบ้านเนี่ยลูกชายเป็นนักธรรมะไม่ใช่หรอกพ่อไม่ใช่เขาไม่ดีมันไม่เหตุปัจจัยนะพ่อนะมีเหตุปัจจัยเลยว่ามันฟ้องกูแตกแล้วโอ้มันมีเหตุจากนี่พ่อมันมีดวงอาทิตย์นะพ่อดวงอาทิตย์แล้วก็มีก้อนเมฆนะพ่อนะเอ๊ะก้อนเมฆฝนเลยตกนะพ่อพระฝนตกตรงมันเลื่นนะพ่อ พเพราะถนนมาเลื่นพ่อที่ปกิจัยาัจจัยสลกนะพ่อนะพ่อจึงล้มใส่ตอนพ่อยังมาเย็บแผลที่ลงพิบาตมาเช่ไม่เคาะดอกมันมีเหตุมาอย่างนี้พ่อมันเปรียงนั้นหรือเป็นอย่างนี้พ่อโตอเน่อ ก, กันป่าไม่ต้องมีเคาะมีเข็นมันเป็นอย่างนี้มีเหตุปัจจัยลูกเป็นธรรมะ ม, ามาองอะไรเป็นธรรมะไปไมาเชื่อว่าเป็นทุก ข, ข์เคาะเข็นเหมือนกรรมมันมีเหตุสงมา ทำไมจึงเป็นอะไรไม่เหตุแก้ที่เหตุมันเห็นแล้วเหตุโอ้โอ้ด้แล้วก็รู้จักชัดเกล็นไม่มีอะไรที่เป็นข้อเขนเวนยียนไผอะไรทั้งสิ้นเป็นการกระทาของเราเถิดแท้เราจะสุขัะทุกข์เป็นเรื่องของเราเองอัตตาที่ประยะสิทธิมันหลงไม่หลงมีสิทธิ มันโกรธไม่โกรธมีสติไม่โกรธ ม, ม, มันทุกข์ไม่ทุกข์มีสติไม่ทุกข์นะใช้สติไปเรื่อยๆเป็นธรรมะที่ปัจจัยเนื้อการเคยเจ็บตายได้นี้การกรรมฐานเป็นอย่างนี้ทำได้ทุกชีวิตมันคืออย่างนี้นี่คือศาสนานี่คือคำสอนนี่คือธรรมะ ธรรมะเนี่มันเป็นของสมบัติของเราทุกชีวิตให้มันมีได้ให้มันหลงครั้งสุดท้ายให้มันโกรธครั้งสุดท้ายให้มันทุกข์ครั้งสุดท้ายจนถึงมรรคผลทพานชีวิตที่ดัดเดร์ไม่เป็นอะไรกับอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรจริงๆน่ะเวทนาก็เป็นเวทนามันมีอยู่แล้วสุขทุกข์มันก็มีอยู่แล้วไม่เป็นสุขเห็นมันสุกไม่เป็นสุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์ เห็นทุกอย่างมันมีกิเลสปัญหาเห็นมันทั้งปัญหาแจ้ได้ทั้งปัญหาทั้งปัญหาปัญหาร้อยแบด ก, ก็มีปัญญาถึงร้อยแปดเท่าๆกันพอดีมาเป็นคู่กันพอดีไม่ต้องจนมีความเกิดก็มีความไม่เกิดมาพร้อมกันมีความแก่ก็มีความไม่แก่มาพร้อมกันมีความเจ็บก็มีความไม่เจ็บมาพร้อมกันมีความตายก็มีความไม่ตายมาพร้อมกันอย่าชนกันเรื่องนี้ เปล่ น, นริ่มจากหลงเป็นรูนี่ไปเกิดเรียกว่าซีวีบบทำให้ลาดลงมันเป็นหน้าผาเห็นถ้าเป็นมันเป็นหน้าผาถ้าเห็นมันจะลาดลงซะหน่อยไม่เป็นเรียบลงแล้วเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ก็จากทุกข์นั่นนะอยู่ตรงนั้น ไม่เอาทกุก็เป็นทุกเอาทุกเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาเลยไปอนีเรียกว่าปฏิปธรรมคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างนี้ได้ใครมาเปลี่ยนให้เราเราต้องทําเองพระเจ้าสอนอย่าประมาทผู้ประมาทไม่ผู้ไม่ประมาทตื่นอยู่ในเมื่อบุญอื่นหลับ ย่อมละคนงูไปกันเขาหลงอยู่ลงไปหลงเหืิดบ้ามีผีเท่าดีละมาที่มันมีกำลังจากนั้นมันก็ทิ้งกันไปเลยเห็นคนหลงเันก็โกรธเสือยายเอาเอาเอ า, อ า, อาลมาเป็นชีวิตของเรา ความโกรธเป็นอาร وم, มณ์มาใช่ใจเป็นเป็นาคันตุกะมันจรมาที่ใจเราก็ไปรับเอานั่นว่าเป็นเราซะเราก็โกรธว่าเป็นเราที่แท้มันจิตจะว่าจิตไม่ใช่จับุ ค, คลณโตตนเราเขาจิตเหมือนกับห้องนั่นห้องอยู่นั่นเวลาในห้องมันดังไหมไอ้ขี้มันดังไหมห้องเน่ย เวลาไปตีมันจะดังไหมไม่ทำไม่จึงดังหรอกเพรามีไปสัมผัสแล้ตีก็ดังมันก็ค้างหืมห ม, หมการค้างเรียกว่าเจตสิกวันกาลมการค้างของของต้องต่ออยู่น้องก็ยินเสียงตีข้องสะทุอันนี้บางคนอุ้ย เด็กเราจะมาแจ้งกันดีทำไมตีไว้ตา <laughs> ตีไว้ก็โดีเถอะหลังตตีข่ตีสามก็ตอกตอกตอกต อ, กอาว่าหลังตาลบกวนเราไม่ใช่ก็น่าจะสาธุได้ผลนะจบท่นนี้ก็เ พ, พิมกัน